บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปจำเพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งภาวิศีโยงไปหาภาวนาศีธรรมะที่แสดงคุณสมบัติของพระอาหารหันต์ในฐานะเป็นภาวิตัตคือบุคคลผู้ได้พัฒนาตนลาวสีประการอันเรียกว่าภาวิศีด้านคือภาวิกายภาวิศีน ภาวิจิตและภาวิปัญญานั้นแม้ว่าจะมีพุทธพจน์รัดไว้เป็นชุดปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่งแต่ไม่พบคำอธิบายพร้อมด้วยกันทั้งชุดในที่เดียวกันเลยพบแต่คำอธิบายเฉพาะบางข้อเมื่อมีกรณีเกี่ยวข้องเช่นแก้ไขความเข้าใจผิดในข้อที่ยกขึ้นพิจารณาในคราวนั้นๆอาจเป็นได้ว่าในพุทธการคาเหล่านี้สาหรับพุทธบริษัท เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังรู้เข้าใจกันอยู่เป็นสามัญจึงไม่มีข้อสะดุดให้ต้องอธิบายข้อที่พบคำอธิบายมักเป็นการตอบหรือชี้แจงแก่คนภายนอกเช่นแก่เดรัรถีปริพาชกเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาสีซึ่งเป็นการปฏิบัติของภาวิตคือการพัฒนาที่ทำให้เป็นภาวิตไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกครบเป็นชุดที่มีสีข้อพร้อมในที่เดียวกันเลย เว้นแต่จะนับอย่างพม่าที่จัดคัมภีร์เปตโกปเทสะเข้าในพระไตรปิฎกด้วยคือในคัมภีร์เปตะโกปเทสะนั้นกล่าวว่าด้วยมักมีองค์แปดย่อมได้แม้ภาวนาสีอย่างคือศีลภาวนากายภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาโดยเรียงศีลภาวนาไว้หน้าก่อนกายภาวนา ในพระไตรปิฎกที่อื่นจากนี้กล่าวถึงภาวนาไว้ยอย่างมากสามอย่างคือในสังคีติสูตรเรียงภาวนาสามต่อจากศิคขาสามว่าสิกขาสามได้แก่อธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาภาวนาสามได้แก่กายภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาและน่าสังเกตด้วยว่า ในพระไตรปิฎกนอกจากเปตโกภเทศที่ว่าแล้วไม่ปรากฏคําว่าศีลภาวนาในที่ใดเลยดังนั้นศีลภาวนาจึงมีแต่ที่แฝงอยู่ในภาวิศีลเท่านั้นไม่พึงสับสนกับคําว่าศีลและภาวนาในคําว่าทานศีลภาวนาซึ่งหมายถึงทานและศีลและภาวนาในบุญกิริยาวัตถุสาม ที่แต่ละอย่างเป็นต่างข้อแยกต่างหากกันส่วนในอัธกถาทั้งหลายนอกจากยกพาวิตมาแสดงครบทั้งสี่แล้วท่านกล่าวถึงภาวนาสี่ไว้ครบทั้งชุดมากหลายแห่งและอธิบายไว้มากบ้างน้อยบ้างแต่บางทีคำอธิบายก็ขัดแย้งกันสำหรับจิตตาภาวนาและปัญญาภาวนา สองอย่างนี้นับว่าไม่เป็นปัญหาดังที่เป็นคำซึ่งคุ้นคุ้นกันอยู่แล้วและความหมายก็คล้ายอย่างที่พบท่านอธิบายและเข้าใจกันอยู่ทั่วไปแต่ที่ขัดแย้งกันบ้างไม่ชัดเจนชวนให้สับสนบ้างก็คือความหมายของกายภาวนาและศีลภาวนาซึ่งโยงไปที่ภาวิตกายและภาวิศีลทำให้พลอยยุ่งยากกับความหมายของสองคำนี้ไปด้วย ยกตัวอย่างคำพีเปตโกประเทศาที่อ้างแล้วดูจะอธิบายต่างจากคำพีทั้งหลายอื่นและแตกต่างไม่เฉพาะกายภาวนาและศีลภาวนาเท่านั้นแม้จิตตาภาวนาและปัญญาภาวนาก็ต่างไปด้วยขอนามาให้ดูพอเห็นรูปเขาดังนี้บรรดาภาวนาสี่นั้นด้วยสัมมากรรมมันตะและสัมมาอาชีวะกายก็เป็นอันไดพัฒนาแล้ว ด้วยสัมมาวาจาและสัมมาวายามะศีลก็เป็นอันได้พัฒนาแล้วด้วยสัมมาสังกัปปะและสัมมาสมาธิจิตก็เป็นอันได้พัฒนาแล้วด้วยสัมมาสมาธิและสัมมาสติปัญญาก็เป็นอันได้พัฒนาแล้วด้วยภาวนาสี่อย่างนี้ธรรมะสองอย่างย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์ คือจิตและปัญญาจิตคือสมถะปัญญาคือวิปัสสนาคราวนี้ขอให้ดูในคำภีเนติปกรณ์ซึ่งทางพมา่าจัดเข้าในพระไตรปิฎกด้วยเช่นกันท่านไม่ได้อธิบายคำว่าภาวนาสีแต่อธิบายพาวิสีซึ่งก็โยงถึงกันเองในตัว จะเห็นว่าความหมายที่ท่านแสดงจะขัดแย้งกับของเปตโกประเทศะขอให้ดูคำอธิบายข้างต้นเทียบกับของเนติ ป, ปกรณ์ดังนี้บรรดาขันสามนั้นศีลขันและสมาธิขันเป็นสมถะปัญญาขันเป็นวิปัสนาภิกษุนั้นเป็นพาวิทกายพาวิทย์ศีลพาวิทจิต พาวิปัญญาเมื่อพัฒนากายธรรมะสองอย่างย่อมถึงการพัฒนาคือสัมมากรรมตตะและสามาวายามะเมื่อพัฒนาศีลธรรมะสองอย่างย่อมถึงการพัฒนาคือสัมมาวาจาและสัมมาอาชีวะเมื่อพัฒนาจิตธรรมะสองอย่างย่อมถึงการพัฒนา คือสัมมาสติและสัมมาสมาธิเมื่อพัฒนาปัญญาธรรมสองอย่างยอมถึงการพัฒนาคือสมาธิทฐิและสัมมาสังกัปปะคำอธิบายยังมีต่อไปอีกแต่ขอยกมาให้ดูพอเห็นหลักใหญ่เท่านี้คำแปลของภาวนาและภาวิตว่าพัฒนานั้น จะใช้คำว่าเจริญหรืออบรมแทนก็ได้แต่ในที่นี้ใช้คำว่าพัฒนาเพราะเป็นคำที่ทั้งในภาษาไทยก็ใช้กันคุ้นและเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีเช่นเดียวกับภาวนาและภาวิตอีกทั้งเป็นคำที่ในคำภีใช้เป็นคำแปลของภาวนาและภาวิตนั้นด้วยเช่นภาวิตาการโยติวติตกายโยภาวิตาสีโลติวัติตสีโล คำอธิบายในอัตถกถาทั้งหลายโดยทั่วไปจะสอดคล้องกับเนติปกรณซึ่งดูแย้งกับในเปตะโกประเทศะพึงดูตัวอย่างเริ่มด้วยอัรถกาถาของเนติปกรณ์นั่นเองที่ว่าด้วยความบริบูรณ์แห่งอภิสมาจาริกศินย่อมเป็นภาวิกายด้วยความบริบูรณ์แห่งอธิพรมจาจริยกศินก็เป็นภาวิศิน อย่างหนึ่งโดยอินทรียสังวรยอมเป็นภาวิตกายในวงเล็บปัญจาทวาระด้วยศีลที่เหลือจากนั้นก็เป็นภาวิศีลและในอัธกถาแห่งอังคุตรนิกายก็อธิบายคล้ายกันอย่างนี้แต่มีแง่แยกไปอีกว่าด้วยกายภาวนา กล่าวคือกายานุปัสสนาชื่อว่าเป็นพาวิตกายอีกอย่างหนึ่งด้วยการพัฒนาทวานห้าจึงเป็นพาวิตกายด้วยคำว่าพาวิตกายนี้ท่านมุ่งเอาอินทรียสังวรศีลด้วยคำว่าพาวิศีลท่านหมายเอาศีลสามที่เหลือศีนอีกสามที่เหลือ คือปาติโมกขสังวรศีล์อชิวะปริสุทธิศีน์และปัจจัยปฏิเซวนาศีล์ส่วนในอัธกถาดีกาอื่นๆมีคำอธิบายที่เรียกได้ว่าประปรายเช่นในอัธกถาแห่งสังยุตตนิกายแห่งหนึ่งว่าในคำว่าพาวิตกายนี้หมายถึงกายที่ประกอบด้วยทวารห้า นี่ก็ตรงกับในอัธกถาสองแห่งที่อ้างแล้วนั้นอันหนึ่งในอัธกถาดีกาบางทีท่านก็ย้ำไว้ด้วยว่าคำว่าภาวนาในชุดภาวนาสี่นี้มิใช่หมายถึงการปฏิบัติที่กำลังทำอยู่มิใช่การปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดหมายเหมือนที่พูดกันตามปกติแต่หมายถึงการปฏิบัติ ที่สำเร็จเสร็จหรือจบไปแล้วหรือการปฏิบัติที่ถึงจุดหมายเสร็จสิ้นแล้วของพระอาหารหันต์เช่นแห่งหนึ่งว่าภาวิตภาเวนะภาวนาเป็นภาวนาโดยภาวะที่ได้พัฒนาแล้วเรื่องภาวิศีและภาวนาศีขอกล่าวไว้เป็นทางแห่งความเข้าใจ และเป็นแนวสำหรับท่านที่สนใจจะได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปเพียงเท่านี้